ที่พีทายไว้ว่าแฟนเก่าที่เป็นสามีคนอื่นที่พีไปแต่งงานด้วยและได้เลิกกันไปแล้วนะ่ะพีเคยทายบอกว่าเขาจะกลับมานะแต่จะกลับมาในฐานะที่เป็นสามีคนอื่นอยู่จำได้ไหมและพีก็บอกว่าอย่าไปยุ่งกับเขาอีกระหว่างจะมีเรื่องมีราวพีเอาชนะใจตัวเองไม่ได้ก็กลับไปคบกับเขาอีกพีไม่เชื่อที่พีเตือนพีชอบดูไพ่ ย, ยิปซีเชื่อไพ่ ย, ยิปซีมากก่อนหน้านั้น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 ที่เห็นอยู่อยากรู้ไหมว่าทำไมว่าเพราะอะไรต้นเหใครในกันสิ่งที่เธอ้ต้องเจอสิ่งที่เธอต้องทต้องทนดไรเหตุผลไโทษฟ้าโทษด า, านวานควจริงที่ป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 d m to e r e t o l i g h